ทวสวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบคะ่ะรายการสัสนสีสนทนามาแล้วนะคะเป็นรายการที่จะทําให้เวลาโดยประมาณช่วงเช้าไม่มากนักของท่านเนี่ยได้ภูมิคุ้มกันได้วิธีในการที่จะดําเนินชีวิตให้มีความทุกข์น้อยลงมีความสุขมากขึ้นดิฉันเชื่อเต็มที่นะคะในเรื่องนี้ถ้าหากว่าท่านรู้วิธีแล้วนําเอาไปสู่การปฏิบัติ แล้วก็ได้พระสงฆ์สาวกที่เป็นพระสุปฏิปันโนของท่านเนี่ยนะคะนำเอามาถ่ายทอดบอกสอนอย่างถูกต้องซึ่งดิฉันก็โชคดีที่มีพระอาจารย์ไบูบุญอภิปุลโนจากวัดป่าดอนหายโซอุดรธานีซึ่งท่านไม่เพียงแต่จะศึกษาในส่วนของพระธรรมในเรื่องของการปฏิบัติที่วัดป่าดอนหายโซจังหวัดอุดรธานีที่มีหลวงพ่อดออรสะอาดเป็นท่านเจ้าอาวาสนี้ก็มีการจัดให้มีการปฏิบัติ โดยที่ท่านอาจารย์ทั้งหลายเนะี่ยก็จะเป็นผู้นําปฏิบัติกันอย่างสม่ำเสมอเรียกว่าเป็นวัดที่มีการปฏิบัติเป็นหลักนั่นแหละค่ะก็จึงน่าที่จะทําความเข้าใจในเรื่องของธรรมะได้อย่างถ่องแท้มากขึ้นที่จะเอามาให้ท่านทั้งหลายได้ใช้กับชีวิตประจําวันของพวกเราวันนี้เราไปกราบนมัส ก, การท่านกันเลยนะคะพระพิบูบ์อภิปุณโณน้นำมศ ก, การกันท่านค่ะเรียนบาลค่ะวันนี้ก็ <c oughs> จะมีนิทานเล่าให้ฟังโอ้นะท่านเตรียมนิทานมาเล่าเลยใช่เป็นดิฉันขออนุญาตให้ท่านเล่าค่ะเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าเล่านั่นแหล ะ, ะตอนนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่เมืองสาวัตถีที่วัดเชตาวันนะเราก็เลยเล่านิทานเรื่องนี้ให้ภิกษุทั้งหลายฟังปรารถบเหตุในสมัยก่อนก่อนนู้นในเหตุในสมัยก่อนก่อนนู้นก็คือตอนนั้นมีสงครามระหว่างเทวดากับอสูรนั่งคือสงครามระหว่างเทวดากับอสูรเนี่ย ถ้ามันมีเกิดขึ้นเนี่ยเขาเคยมีคนอธิบายว่าท้องฟ้ามันจะมืดคลื้นเป็นสีดําไปคือมีสงครามกันเกิดขึ้นแต่ว่าสมัยนี้ไม่มีนะนี่พระเจ้าเล่าถึงสมัยก่อนก่อนู่นให้ฟังค่ะ <Okay. S 1> แต่ว่าสมัยก่อนนู้นมีการสู้กันระหว่างเทวดากับปศูนซึ่งถ้าเราเราทําความเข้าใจที่พระเจ้าอธิบายไว้เนี่ยเทวดาเนี่ยจะมีอยู่หลายชั้นด้วยกันะจะมีอยู่ <Okay. S 1> ชั้นหนึ่งที่เรียกว่าชั้นดาวดึงนะในชั้นดาวดึงเนี่ยจะมีอยู่2ฝ่ายคือฝ่ายที่ดีกับฝ่ายที่ไม่ดีฝ่ายที่ดีเนี่ย ก็เรียกว่าเป็นฝ่ายเทวดาที่อยู่ชั้นดาวดึงฝ่ายที่ไม่ดีก็คือพวกอสูรนะก็คือเหมือนกับโลกมนุษย์เนี่ยมีฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีอย่างเงี้ยนะทีนี้ในเทวดาชั้นดาวดึงก็พวกเขาก็สู้กันที่นี่นสู้กันหัวหน้าของฝ่ายฝ่ายไม่ดีนะก็ชื่อว่าเท้าเวปจิตนะเป็นอสูรเป็นเท้าเวปจิตจอมอสูรหัวหน้าของฝ่ายเทวดานะก็ชื่อว่าเท้าสกะเทวราชนะในที่นี้ก็คือพระอินทนั่นเองที น, นี้แต่ละคนก็บอกกับพวกตัวเอง คือทา้าเวปจิตก็บอกกับพวกอสูรพวกมานี่แหละบอกว่าถ้าคราวนี้สู้กันคราวนี้นชนะนะให้จับทาาเท้าสกะดเทวราชมามาที่พบแห่งอสูรส่วนทวาาเท้าสกะเทวราชก็บอกลูกน้องของตัวเองบอกว่าถ้าถือว่าจับได้ก็ให้ถ้าถือว่าสู้แล้วชน ะ, นะให้จับเทา้าเวปจิตมาแตนี้การสู้เขาการสู้ของเหล่าเทวดา เ, เขาสู้กันหลายครั้งแล้วการสู้ครั้งนั้นเป็นการสู้ครั้งสุดท้าย เราก็เรนะียกว่าหมดหน้าตากกันหมดทุกคนแล้วนะอาวุธอาวุธอะไรเอามาใช้หมดจนะนกระทั่งการสู้รบครั้งสุดท้ายนั้นนะเป็นการตะลุมบอลคือการเข้าประหัรประหารกันตะลุมบอลกันคือเครื่องไมยเครื่องมืออะไรหมดแล้วนยะุทโธปกรณ์หมดแล้วจบแล้วนะก็การสู้รบครั้งนี้ใครชนะคือชนะเลยนะปรากฏว่าในการสู้ครั้งนั้นเนี่ยพวกเทวดาชนะนะพวกอสูรแพนะ้พอพวกเทวดาชนะแล้วเนี่ยก็เทวดาก็เลยจับเท้าวเวลปจิต จับทา้าเวปจิตเนี่ยมาทีพ่พบแห่งเทวดานะัคือพร ะ, ะอินเนี่ยจะมีพระราชวังของตัวเองอยู่แล้วก็จะมีส่วนที่เป็ น, JD, นเจดีส่วนที่เป็นศาลาฟังธรรมส่วนที่เป็นศาลาฟังธรรมเนี่ย เ, เขาเรียกว่าสุธ ร, รมมสภานะมีชื่อเรียกอยู่พระเจ้าได้ท่านเจ้าส ก, กเทวราชได้สร้างไว้สมัยก่อนๆนู้น ون. แล้วก็เลยเอาจับทา้าเวปจิตมามาด้วยวิธีที่เรียกว่าปัญจวิทภัน์นา วิธีปัญจวิธีพันธนาก็คือเข า, เอาจะมีเครื่องล็อกนะเครื่องผูกนี่แหละล็อกที่ขาสองข้างล็อกที่แขน2ข้างแล้วก็ล็อกที่คอนะถูกล็อกอยู่บนแผ่นกระดานนะขยับอะไรไม่ได้เลยนะถูกจับมาอย่างนี้แล้วมาอยู่ที่ประตูนะล็อกเอาไว้เนทะ้าส ก, กเทวราชก็เข้าออกประตูบ้านตัวเองนี่แหละไปฟังธรรมอยู่เรื่อยนะผ่านเข้าผ่านออกที่ไรก็ถูกเท้าเอปจิตยยขยับอะไร ไ, ไม่ได้เลยขยับได้แต่ปากอย่างเดียวตอ น, นะ <Okay. S 1> นนี้ก็ด่าชนิดที่เรียกว่า ส า, เ, าเสียเทเสียดาแบบขุดเง่าหัวที่ไหลขุดออกมาดาหมดนะจนกระทั่งเท้าสากัดเทวราชเนี่ยมีคนขับรถอ ย, อยู่คนหนึ่งก็คือหมายว่าเป็นเทวดานะเทวดาที่ทําหน้าที่ขับรถให้ตัวเองชื่อว่าม า, ตารตลีเทวดาชื่อมาตลีที่ทําหน้าที่ขับรถเนี่ยก็ม า, มาได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยได้ยินคําด่าอุ้ยก็รู้สึกคงจะแสบแทนนะน ะ, ะก็เลยถามเท้าสากัดเทวราชว่าเนี่ย ท่านท้าวสกัดถูกด่าขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่ตอบโต้นี่เพราะว่ากลัวหรือเพราะว่าไม่มีปัญญาจะตอบโต้กันแน่นคนกับรถชื่อเทวดาเป็นเทวดาชื่อมัตตลีถามนะปรากฏว่าในที่นั้นท้าวสกัเทวราก็เลยตอบกับมัตตลีเทวดาชื่อมัตตลีบอกว่าที่เราไม่ตอบโต้เนี่ยคือเราเป็นวินยูชนเป็นบัณฑิตนะเราจะไม่ตอบโต้กับพวกคนผ่านนะพวกที่คนไม่ดีเป็นคนผ่าน ทีนี้เทวดาชื่อมัตเตอรีนี่จะมาคิดว่าค่อนข้างฉลาดนะคือจับคีย์เวิร์ดของท้าวสกัดเทวราชเนี่ยแล้ว ม, มาไลมา่มาถามต่อ <Yeah. S 1> แล้วคีย์เวิร์ดที่2ที่ท้าวสกะเทวราชพูดในที่นี้ก็คือเรื่องคนพานก็เลยบอกว่าคนพานเนี่ยะจะต้องถูกคือคนพานเนี่ยจะทําความชั่วร้ายได้นั้นเราจะต้องกีดกันคนพานก่อนนั้นด้วยการลงอาดยาอย่างรุนแรงนัถ้าเราลงอัญากับมันแล้วเนี่ยมันจะทําความชั่วความร้ายความความไม่ดีให้เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้ ก็นะมีความเห็นว่าอย่างนี้นต้องกีดกันคนพาณก่อนด้วยการลงอ า, าัอยาท่านเท้าสกะเทอราชก็เลยตอบพูดถึงการกีดกั น, นการกำราบคนพาณเนี่ยด้วยวิธีการที่ที่เท้าสกะเทอราชผู้เป็นบันทิดใช้ก็คือการอดทนนะบุคคลที่อดทนเนี่ยต่อ บ, บุคคลที่กรอดมาเนี่ยชื่อว่าคนพาณ น, นั้นได้รับการกีดกันแล้วลการกีดกันเนี่ยจะได้รับการ ทำให้เกิดขึ้นด้วยการที่เราอดท น, <Okay. S 1> นทีนี้เทวดาชื่อมาติลีก็เอาคีคย์เวิร์ดของท้าส ก, กัดเทวราเนี่ยมาถามต่ออีกในที่นี้คือความอดทนแล้วเทวดาชื่อมาติลีก็เลยบอกว่าความอดทนเนหรอโอ้ยมีโทษนะเห็นโทษในความอดท น, น, นคือคนพานเนี่ยเขาจะย่อมเห็นว่าคนที่นิ่งๆอยู่อดกลั้นอยู่เนี่ยเพราะว่าไม่ใช่เพราะความอดทนแต่เพราะความกลัวเขากลัวเลย <Okay. S 1> ไม่ตอบโต้คนพ่านพอคิดอย่างนี้ปุ๊บมันยิ่งได้ใจใช่ไหมก็เลยจะยิ่งข่มขีเหมือนกับ เวลาสัตว์หรืออย่างเช่นโคเขาเขาขีดกันอย่างนี้นะหรือสุนัขเขากัดกันเนี่ยตัวไหนแพ้นี่ยิ่งจะถูกขมขี่หนักเข้าไปอีกนะเพราะฉะนั้นคนพานจะสําคัญคนที่นิ่งอยู่เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าอดทนเพราะามีปัญญาหรอกแต่ว่าว่ากลัวก็เลยยิ่งจะขมขี่เ <คะ S 1> ห็นโทษตรงนี้ทีนี้ท่านท้าวสกัดเทวราชนะก็เลยตอบคาถาตอบด้วยเป็นคําที่เป็นภูเป็นกลอนนะ <คะ S 1> บอกบอกอย่างนี้ว่า บุคคลจะสําคัญเห็นว่าผู้นี้อดกลั้นต่อเราเพราะความกลัวหรือหาไม่ก็ตามทีประโยชน์ทั้งหลายมีประโยชน์ของตนเป็นอย่างยิ่งประโยชน์ยิ่งกว่าขันติไม่มีผู้ใดเป็นผู้ที่มีกําลังอดทนต่อคนชั่วร้ายได้ความอดกลั้นของผู้นั้นบัณฑิตกล่าวว่าเป็นขันติอย่างยิ่งคนทุรพลย่อมอดทนอยู่เป็นนิดบัณฑิตทั้งหลายเรียกกําลังของผู้มีกําลังอย่างคนพานนั้นว่าไม่ใช่กําลัง ไม่มีผู้ใดจะกล่าวโต้ต่อผู้ที่มีกำลังอันธมคุ้มครองได้เลยเพราะความโกรธนั้นโทษอันลามกจึงมีแก่ผู้โกรธตอบผู้ที่โกรธแล้วบุคคลผู้ไม่โกรธตอบผู้ที่โกรธแล้วย่อมชื่อว่าชนะสงครามที่เอาชนะได้ยากผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธแล้วเป็นผู้มีสติสงบร่างกายได้ผู้นั้นชื่อว่าประพฤติประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายคือต่วตนเองและผู้อื่น คนผู้ไม่ฉลาดในธรรมย่อมสําคัญผู้ที่รักษาประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายคือของตนและคนอื่นว่าเป็นคนโง่ดังนี้ค่ะนี่คือเป็นนิทานที่พระเจ้าเล่าให้ฟังแล้วก็สรุปตรงนี้ว่าแม้แต่เทา้าส ก, กัตเทอรา่าก็ยังสรรเสริญความอดทนและความสงบเสงี่ยมเราก็เลยบอกให้พิกษจทั้งหลายเนี่ยตั้งตนอยู่ในความอดทนนะัคือขันติและความสงบเสงี่ยมนะั่คือสระะุรจจะทําให้ตัวเองเนี่ยงดงามในธรรมวินัยนี้ได้ก็อย่ายงนั้นค่ะท่านค่ ะ, ค ะ, คะ ท้าสกะเนี่ยเป็นเทวดาแบบไหนคะหมายถึงว่าชั้นไหนอย่างไรเออเป็นชั้นที่2คือชั้นดาวดึงค่ะอ่าคือจากมนุษย์ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งก็อ่าจตุมาราชิกาใช่ไหมขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งก็เป็นดาวดึงดาวดึงนี่แหละคือเป็นที่อยู่ของเท้าสกะเทวราชซึ่งเป็นหัวหน้าของเหล่าเทวดาตรงนั้นนะคะก็เรียกว่าเป็นเทวดาใหญ่เท้าสกะเทวราใช่แล้วก็เรื่องนี้ไม่ใช่นิทาน แบบลอยๆนะคะเพราะว่าพระอาจารย์ขึ้นต้นไว้ว่าเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ทานให้ฟังแต่ดิฉันต้องขอย้ําว่าพระพุทธองค์เป็นผู้ตรัสเล่าจึงเป็นเรื่องที่ดิฉันใช้คําว่าศักดิ์สิทธิ์ก็แล้วกันถ้าทําไมถึงศักดิ์และศิทธิ์เพราะว่ามีธรรมะที่จะทําให้พวกเราเนี่ยนามาใช้ได้และธรรมนี้ในยุคใดสมัยใดก็ไม่เคยเสื่อมไปตามกาลเวลาถูกไหมคะมถ้าจะเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของพระธรรมของพระพุทธองค์ที่บอกว่าอากาลิโก ไม่จากัดการ<ช>แล้วก็น้อมเอามาดูเถิดโอปัญยิ่โกได้ท่านก็ได้พบด้วยปัจจตังเวทีตักโพด้วยตัวท่านเองนะคะที่ฉันเห็นว่ามีประโยชน์กับยามเนี้ยแล้วก็ยามไหนไหนด้วยอ uh, คือค่ะที่น่าสนใจตรงบทกลอนที่ท้าวสกัดเทราชพูดตรัสให้ฟังเนี่ยนะมันมีประเด็นที่น่าสนใจอ ย, อยู่ค่ะนะก็คืออันดับแรกเนี่ยก็คือเรื่องของ คนที่คิดว่าตัวเองโกรธขึ้นมาทําไม่ดีขึ้นมาคิดว่าตัวเองมีกําลังคืออย่างเราทําไม่ดีพูดด่าคนนั้นด่าคนนี้เพื่อคิดว่าจะตรงนี้เป็นการแสดงกําลังให้เขาเห็นเราให้เขากลัวเราอย่างเงี้ยซึ่งบัณฑิตทั้งหลายจะบอกว่าอันนี้ไม่ใช่กำลังที่แต่จริง น, น, นี่เป็นความตกต่ำํำไม่ใช่กําลังประเด็นที่2ที่น่าสนใจก็คือว่าจะไม่มีใครที่จะกล่าวโต้ตอบุคคลผู้มีกําลังอันธรมะคุ้มครองได้เลย เพราะถ้าอย่างสมมติเรามีธรรมะคุ SO e ique, ้มครองเนี่ยจะไม่มีใครสามารถที่จะมากล่าวโต้ต่อเราได้เลยนะเขาจะเถียงเราไม่ได้เลยอ่าอย่างถ้าเราไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้ประพฤติผิดในกรรมเนี่ยเขาจะมากล่าวหาเราว่าเราเป็นผู้ฆ่าสัตว์เป็นผู้ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเนี่ยไม่ได้เลยค่ะมันมันจะไม่สามารถทําได้เลยเพราะเราเรามีธรรมะคุ้มครองอยู่ตรงนี้ค่ะเนาะนะคะเพราะนั้นเนี่ยเรียนเข้าใจว่าในเรื่องที่ท่านพิบูลได้นำเอามากล่าวให้พวกเราฟังนี้ เป็นอะไรที่มีประโยชน์มากและดิฉันจะขออนุ ญ, ญาตท่านหน่อยได้ไหมคะมนเนื่องจากดิฉันมีก๊อปปี้ในสิ่งที่เท้าสักกะเทราชได้พูดเอาไว้ก็จะขออนุ ญ, ญาตอ่านชัดๆช้าๆอีกสักรอบหนึ่งเพื่อที่จะให้ท่านได้ฟังความสละสลวยไพเราะของพุทโธจนะที่ได้ตรัสเล่าเรื่องเท้าสักกะนี้ไว้ด้วยเช่นผ่าได้แก่บุคคลจงสําคัญเห็นว่า ผู้นี้อดกลั้นต่อเราเพราะความกลัวหรือหาไม่ก็ตามประโยชน์ทั้งหลายมีประโยชน์ของตนเป็นอย่างยิ่งประโยชน์ยิ่งกว่าขันติไม่มีผู้ใดแลเป็นคนมีกำลังกดกลั้นต่อผู้คนทุรพลไว้ได้ความอดกลั้นของผู้นั้นบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าเป็นขันติอย่างยิ่งคนทุรพลจำต้องอดทนอยู่เป็นนิดบัณฑิตทั้งหลาย กล่าวกําลังของผู้ซึ่งมีกําลังอย่างคนผ่านว่ามิใช่กําลังไม่มีผู้ใดที่จะกล่าวโต้ต่อผู้มีกําลังผู้ซึ่งทำคุ้มครองแล้วได้เลยเพราะความโกรธนั้นโทษที่ลามกจึงมีแก่ผู้ที่โกรธตอบต่อผู้ที่โกรธบุคคลผู้ไม่โกรธตอบต่อผู้ที่โกรธย่อมชื่อว่าชนะสงครามซึ่งเอาชนะได้ยาก ผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธแล้วเป็นผู้มีสติระ ง, งับไว้ได้ผู้นั้นชื่อว่าประพฤติรประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายตนและคนอื่นคนที่ไม่ฉลาดในธรรมย่อมสำคัญเห็นผู้รักษาประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายคือของตนและของคนอื่นว่าเป็นคนโง่ดังนี้สาธุพระอาจารย์คะเพันดิฉันเองเนี่ยก็ เชื่อว่าคนอื่นๆก็น่าจะเห็นคล้ายๆกันอย่างที่ท่านบอกว่าในคํากล่าวของท้าวสักกะเนียจะมีเรื่องน่าคิดอยู่ที่ว่าคนที่เป็นผู้ที่กล่าวคําหยาบ อ, ออกมาเวลาที่มีความโกรธหรือแสดงอาการอะไรอย่างนี้ออกมาเนี่ยก็จะเป็นที่ประจักษ์กับคนที่เขาอาจจะรู้จักกันมาก่อนแล้วก็ไม่เคยเห็นแง่บุมนี้เลยที่จะตัดสินผู้นั้นไปต่างๆนาน า, นาได้ ใช่ะะแต่อันนี้เราไม่เอาเป็นประเด็นที่จะไปกล่าวว่าใครเพราะว่าถ้าเราเป็นผู้เข้าถึงธรรมะแล้วเราไม่ควรกล่าวว่าใครถูกไหมคะใช่ใช่อันนี้เอามาใช้กับตัวเองนะคะแล้วดิฉันเชื่อว่าถ้าเราเนี่ยระงับยับยั้งอารมณ์ของตัวเราเองได้ประโยชน์สูงสุดไม่ได้เกิดเพียงแค่กับตัวเรานะคะแต่เกิดกับทุกฝ่ายในในคำกล่าวของท้าวส ก, ก่า ทุกฝ่ายเนยเกิดประโยชน์หมดแน่นอนเจ้บานค่ะท่านพบูรณ์ค่ะงั้นวันนี้ท่านจะทิ้งท้ายฝากอะไรไว้อีกสักหน่อยไหมคะในเวลาที่พอเหลืออยู่เ อ, อ่อก็คือประเด็นที่ว่าเราจะระ ง, งับความโกรธ ด, ด้วยความอดทนเนี่ยจะทำยังไงถึงให้อดทนได้ซึ่งในคำกลอนตรงนี้เขาบอกไว้นนะก็คือเป็นผู้มีสตินั่นเองนะเป็นผู้มีสติระ ง, งับความโกรธไว้ไดนะ้การที่เรามีสติระ ง, งับความโกรธไว้ล้นั่นคือเราอดทนแล้ว เพราะนั้นเหตุที่ทําให้เรามีความอดทนนั่นคือสติเราต้องฝึกตรงนี้อยู่เรื่อยๆถึงจะดีนะคะฝึกนะคะเพราะดิฉันยังนึกถึงคําตรัสของพระพุทธองค์ที่ท่านไปบูุญกล่าวไว้เมื่อวานนี้ว่าที่ท่านพูดเหมือนเปรียบเสมือนต้นไม้ใช่ไหมคะ<ช>ว่ายอดมันหวานแต่รากมันเป็นพิษนี่คือเรื่องของความโกรธเจริญผ่านค่ะก็กราบธรรสถารขอบพระคุณท่านไปบูุญเป็นอย่างยิ่งนะคะเจริญผานเ่อนฝั่งที่เคารพค่ะท่านเก็บเกี่ยวเอานะคะ เราก็เหมือนกับคนที่หวานธรรมะลงมาในรายการส่วนจะเป็นประโยชน์กับท่านอยู่ที่ท่านเก็บเกี่ยวได้และนําเอาไปใช้รายการสัสนิษฐานนาดิ่ฉันสัสนิษฐานพงเป็นผู้ดําเนินรายการค่ะและต้องขอขอบคุณนะคะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว f m ฟเอที่ได้ให้เวลาในการที่จะทําให้การให้ข้อธรรมนาเอาไปปฏิบัติเพื่อสิริมงคลในชีวิตประจําวันของแต่ละพวกเรานั้นแต่ละคนของพวกเรานั้นเกิดขึ้นได้ ติดตามรับฟังรายการที่เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้ลา ก, กันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะพุทธวสวสดีค่ะ